จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ห้ามกราคมพุทธศักราชส5งราเป็นวันพระแรกของปีพุทธศักราช5 5 6เป็นวันที่ญาติโยน สาธาชนพุทธบริษัทได้มีความตั้งใจมาเริ่มปีใหม่ด้วยการประกอบการทำความดีละการกระทำบาการกระทำที่ไม่ดีทั้งหลายเพื่อชีวิตปีใหม่จะได้ดีกว่ากว่าปีปีเก่าเพราะผล คือความดีความเจริญรุ่งเรืองความสุขของชีวิตนั้นอยู่ที่การกระทาของเราอยู่ที่การกระทาทางกายทางวาจาและทางใจถ้าเราทำดีพูดดีคิดดีผลก็คือความสุขความจเจริญก็จะตามมาถ้าเราทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดี ผลก็คือความทุกข์ความเสื่อมเสียก็จะตามมาอันนี้เป็นกฎของใจของของสัตว์โลกไม่ว่าสัตว์โลกจะรู้หรือไม่ก็ตามถ้าทำแล้วย่อมมีผลเสมอผลที่ได้รับก็คือผลดีหรือผลไม่ดีอยู่ที่การกระทาคือดีหรือไม่ดี พเพาพเจ้าจะทงสอนให้พุทธบายสัตว์ถ้าอยากจะให้ชีวิตดีขึ้นไปตามลําดับมีความสุขมากขึ้นไปตามลาดับมีความเจริญมากขึ้นไปตามลําดับและไม่ต้องการให้ความทุกข์น้อยลงไปตามลําดับความเสื่อมเสียน้อยลงไปตามลําดับก็ <c oughs> ต้องมีความภาคเพียนที่จะกระทํา สิ่งสี่ประการด้วยกันคือ 1. ให้สร้างความดีสร้างบุญที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้น 2. ให้รักษาความดีรักษาบุญที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่ต่อไป 3. ให้ละบาป ก, การกระทำไม่ดีต่างๆ 4. ให้ป้องกันบาปและการกระทำที่ไม่ดีที่ได้ละแล้วอย่าให้กลับมาอีกนี่คือหน้าที่ของสาธุชนพุทธบอยสัตว์ถ้าอยากจะให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์จากความเสื่อมเสียทั้งหลายก็ต้องพยายามทำหน้าที่ที่พระเจ้า ได้สมบูกณ์ไว้ให้ทั้งสี่ประการนี้ข้อที่หนึ่งก็คือให้ทำบุญให้ทำความดีที่ยังไม่ได้ทำให้ปรากฏขึ้นมาเช่นถ้ายังไม่เคยทำบุญสายบาส ท, ทุกวันก็ให้ทำบุญสายบาส ท, ทุกวันถ้าเคยทำแล้วก็ให้รักษาต่อไปอย่าหยุด นี่คือการทำบุญถ้ายังไม่มีก็ให้ทำให้มีถ้าทำอยู่แล้วก็รักษาต่อไปหรือทำให้เพิ่มมากขึ้นไปอีกตามลำดับเคยทำเวลา10บาทก็เพิ่มเป็นเวนลา20บาท<ๆ>เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะการทำบุญนี้เป็นเหมือนน้ำเป็นเหมือนปุ๋ย ที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจที่เป็นเหมือนต้นไม้ให้เจริญงอกงามให้ออกดอกออกผลถ้าจิตใจขาดบุญขาดกุศลจิตใจก็จะไม่มีความสุขความเจริญไม่เจริญเติบโตไม่เจริญก้าวหน้าแต่ถ้าทำแล้วก็จะเจริญก้าวหน้าไปตามลาดับ จะพัฒนาจิตใจจากการเป็นมนุษย์ขึ้นไปสู่การเป็นเทพจากเทพก็ไปเป็นพรหมจากพรหมก็ไปเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆคือพระอริยเจ้าขั้นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์ถ้าเราทำอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเหมือนกับเรา รดน้ำพวนดินใสป่ปุ๋ยอยู่อย่างไม่หยุดไม่หย่อนจนกว่าต้นไม้จะเจริญเติบโตและออกดอกออกผลขึ้นมานี่คือสิ่งที่อยู่ในกำมือของเราชีวิตของเรานี้ไม่มีใครมาดลบันดาลให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ไม่มีใครมาลิหิ ให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ชีวิตของเรานี้เป็นกรรมลิขิตไม่ใช่พรมลิขิตกรรมลิขิตก็คือการกระทาของเราการกระทานี้เรียกว่ากรรมยังมีทั้งกรรมที่ดีและกรรมไม่ดีกรรมดีก็เรียกว่าบุญกรรมไม่ดีก็เรียกว่าบาปกรรมดีก็จะช่วชูส่งเสริม ให้จิตใ จ, จเจริญสูงขึ้นําไม่ดีคือบาปก็จะทําลายความเจริญรุ่งเรืองของจิตใจให้ถดถอยลงมาให้ตกต่ําลงไปตามลำดับดังนั้นเราต้องทําความดีให้มากขึ้นถ้าเรายังไม่ได้ทําความดีเราก็ต้องเริ่มทํากัน แล้วถ้าเราทำแล้วก็ให้เรารักษาความดีที่เราได้ทำไว้อย่าให้น้อยลงไปมีแต่จะทำให้มันมากเพิ่มขึ้นไปตามลาดับส่วนการกระทำไม่ดีเราก็ต้องละเราต้องเลิกถ้าเราละได้แล้วเลิกได้แล้วก็อย่ากลับไปทำอีกการกระทำไม่ดีนี้ก็คือการเสพสรายามเมาการเล่นการทนัน การเที่ยวกัาคือการครบคนชั่วเป็นมิตรการเกลียดคร้านความเกลียดคร้านอันนี้เป็นการกระทาที่จะฉุดให้ชีวิตเราตกต่ำนอกจากนั้นก็ต้องละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดตัวเวณี ละเว้นจากการพูดปดหมดเท็ดถ้าเรารักษาสิ่งห้าข้อได้แล้วเราก็ควรจะข ย, ยับขึ้นไปรักษาสิ่งข้อคือเพิ่มขึ้นอีก3าข้อข้อที่หกก็คือให้ละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วละเว้นจากการหาความสุขจากสิ่งบันเทิตงต่างๆ เช่นการออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆการไปหาความสุขกับรูปศสียงกลิ่นรโผงธพชนิดต่างๆก็ให้ละเว้นด้วยการไม่ไปเที่ยวไม่แต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยงามให้แต่งกายแบบเรียบง่ายการความสวยงามของคนไม่ได้อยู่ที่การ ไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าอภรรยแต่อยู่ใจที่สงบใจที่มีความร่มเย็นเป็นสุขใจที่ไม่เบียดเบีย น, ยนไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นถ้าใจไม่สงบแล้วใจก็จะเบียดมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะไปพยายามหาสิ่งที่อยากได้ แล้วก็มีโอกาสที่จะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแต่ถ้าใจมีความสงบมีความสุขมีความอิ่มก็จะไม่เกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีอยากเป็นก็จะอยู่อย่างปกติสุขได้ไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนี่คือสีลข้อ7 สพินข้อ8ก็คือให้หลับนอนบนพื้นแข็งคืออย่านอนหลับบนฟูกหนาๆบนเพราะว่ามันจะหลับมากเกินไปจะนอนมากเกินไปถ้านอนบนพื้นแข็งปูเสือหรือปูผ้าพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากที่จะนอนต่อ เพราะว่ามันไม่สบายแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วเติมขึ้นมาใจก็ยังไม่อยากจะลุกเพราะมีความสุขความสบายกับการนอนบนฟูกหนาๆ น, นิ่มๆก็จะเสียเวลากับการหลับนอนต่อไปอีกหลายชั่วโมงแทนที่จะเวลามีคุณค่านี้มาเจริญมาพัฒนาจิตใจ ให้สงบขึ้นให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นก็จะไม่ได้ทำนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะละกันคืออบายมุขและการกระทำบาป ท, ทั้งหลายก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจเป็นเหมือนวัชพืชเป็นเหมือนแมลงที่จะมากัด มาทำลายต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้เราต้องพยายามกำจัดพวกวัชพืชและแมลงต่างๆถ้าเราอยากจะให้ต้นไม้ที่เราปลูกนี้เจริญเติบโตออกดอกออกผลอย่างรวดเร็วถ้าเราสามารถรักษาศีลแปดได้เราก็จะสามารถทำใจให้สงบได้ ถ้าเราทําใจให้สงบได้เราก็จะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ใหญ่กว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งความสุขที่ได้จากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี้เป็นความสุขที่มีความรุ่มร้อนผสมเข้ามาไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบเป็นความสุขที่เย็นสบาย ให้ความอิ่มเอิบใจให้ความสุขให้ความพอใจดังนั้นถ้าเราได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราจะไม่หิวเราจะไม่อยากได้อะไรอีกเราก็ไม่ต้องไปเหนือ ย, ยา ก, กับการทำมาหาติน่นหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้เอาเงินทองมาซื้อความสุขต่างๆ เพราะว่าสิ่งที่เราซื้อได้ด้วยเงินทองนี้มันสู้กับความสุขที่เราได้จากความสงบไม่ได้เป็นเหมือนฟ้ากับเดนเลยทีเดียวดังนั้นขอให้เราพยายามรักษาสิ่งแปดกันอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือวันพระแล้วก็ใช้เวลาวันพระนี้มากับการสร้างความสงบให้กับใจ ถ้าอยู่คนเดียวได้ก็อยู่คนเดียวจะดีเพราะการท ำ, ทำใจให้สงบนี้เราต้องไม่มีอะไรมารบกวนใจถ้าเราอยู่กับคนก็เดี๋ยวก็จะมีเรื่องให้รบกวนใจทำให้ใจไม่สงบหรือสงบยากถ้าอยู่คนเดียวก็จะไม่มีใครมารบกวนแล้วเราก็จะได้ มีเวลาควบคุมใจของเราไม่ให้คิดฟุ้งซ่านเพราะความคิดฟุ้งซ่านนี้ทำให้เกิดความทุกข์ใจทำให้เกิดความร้อนใจทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาถ้าเราสามารถควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดฟุ้งซ่านได้ใจของเราก็จะเย็นจะสบายพอเวลาเราได้สมาธินั่งหลับตา ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่แล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ทำให้ใจเรามีความพอไม่ต้องการอะไรอีกต่อให้เงินมาเป็นร้อยล้านพันล้านก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงมบนี้ไม่ได้ดังนั้นในวันพระเช่นวันนี้ ถ้ายังไม่เคยรักษาสีนแปดก็หัดลองรักษาดูไม่ยากหรอกถ้าเราตั้งใจเอาไว้ตั้งใจจะทำอะไรนี้เราทำได้ทั้งนั้นเพราะพุทธเจ้าก็ทำมาแล้วพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ทำมาแล้วนักบวชทั้งหลายก็ทำกันมาแล้วเขาก็เป็นคนเหมือนเรามีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเรา มีกิเลสเหมือนเราเพียงแต่ว่าเขามีความปรารถนาที่จะต่อสู้กับกิเลสเขาไม่กลัวกิเลสเขาไม่กลัวความทุกข์ที่เกิดจากการทำความดีไม่กลัวความทุกข์ที่เกิดจากการละ บ, บากเพราะเขารู้ว่าเป็นความทุกข์ที่คุ้มค่าเป็นความทุกข์ที่ เกิดขึ้นในเบื้องต้นแต่จะมีความสุขที่ตามมาทีหลังดีกว่าความสุขที่พวกเราได้กันแล้วก็มีคุความทุกข์ตามมาทีหลังความสุขที่เราได้มาตอนต้นพอมันถูกความทุกข์เข้ามาแทนที่ความสุขนั้นก็จะหายไปหมดไม่มีความหมายอะไร เช่นตอนนี้เรามีความสุขเพราะว่าร่างกายเรายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายเรายังหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธธได้อยู่แต่พอาร่างกายแก่หรือเจ็บหรือตายเราก็จะไม่สามารถหาความสุขได้อีกแล้วตอนนั้นเราก็จะมีแต่ผ่านทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเรายอมมาทุกข์ใน ในเบื้องต้นทุกขกับการรักษาสีหน้าเช่นทุกขกับการอดอาหารมือเย็นอาจจะมีความรู้สึกหิวบ้างแต่ไม่ถึงกับทำให้เราตายแล้วก็ทุกขกับการที่ไม่ได้ไ ด, ดูละครทุกขกับการที่ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเดินไม่ได้ไปรับประทานเครื่องดื่มหรือรับประทานของ อาหารที่ถูก อ, อกถูกปากถูกใจไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอภรรที่สวยงามไม่ได้หลับนอนบนฟูกหนาๆอันนี้ก็เป็นความทุกข์เพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเราฟันฝ่าไปได้แล้วทำใจให้สงบได้เราก็จะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราจะได้รับจากการรับประทานอาหาร ตอนเย็นได้ไปเที่ยวได้ไปดูละคอได้อนอนหลับนินบนฟุ้งหนาๆอีกหลายสึกเท่าด้วยกันนขอให้เราคิดว่าความทุกข์ที่เกิดจากการรักษาสิ่งแปลความทุกข์ที่เกิดจากการควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดฟุง้งซ่านความทุกข์ที่เกิดจากการบังคับให้นั่งหลับตาทำใจให้สงบเงย เป็นการลงทุนเหมือนกับเวลาเราจะทำมาค้าขายเราก็ต้องลงทุนเราต้องมีเงินไปซื้อข้าวของมาเพื่อที่เราจะได้ขายพอเราขายเท่าของที่เราซื้อมาได้แล้วเราก็จะได้กําไรฉะนั้นใดความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขภายในใจที่เกิดจากความสนบนี้ก็ต้อง มีการลงทุนเป็นธรรมดาถ้าเรายังถ้าเราต้องการความสุขอันยิ่งใหญ่นี้โดยที่ไม่ยอมลงทุนไม่ยอมถือสินแปลไม่ยอมอยู่คนเดียวไม่ยอมควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อยไม่ยอมนั่งหลับตาทำใจให้สงบเราก็จะไม่มีวันที่จะได้ พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่เหมือนกับคนที่ไม่ยอมลงทุนซื้อของมาขายถ้าไม่ซื้อของมาขายก็ไม่มีของขายก็ไม่มีกำไรนี่คือสิ่งที่เราต้องยอมกันไม่ว่าใครก็ตามถ้าต้องการที่จะได้พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่ก็ต้องลงทุนกันทุกคน พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของพวกเราองค์แรกพระองค์ก้าวลงทุนสละราชสมบัติสะลสะความสุขที่อยู่ในพระราชวังแล้วก็ส่งออกไปอยู่ในป่าในเขาเพื่อที่จะไปรักษาศีลรักษาศีลของนักบวชแล้วก็คอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้คิดถึงคนนั้นคนนี้ ให้อยู่ในปัจจุบันให้รู้เฉยๆให้ใจว่าคนเราไม่คิดเราก็ไม่ตายคิดแล้วกลับมีความวุ่นวายคิดแล้วกลับมีอารมณต์ต่างๆตามมาถ้าไม่คิดแล้วใจจะเย็นใจจะว่างใจจะสบายเวลานั่งสมาธิใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ก็จะได้ความสุขอย่างเต็มที่ ผู้ใดได้พบความสุขแล้วก็จะไม่มีความอยากที่จะกลับไปหาความสุขจากการอยู่อย่างสุขอย่างสบายจากการมีเครื่องบันเทิงต่างๆมาให้ความสุขจะรู้สึกสิ่งเหล่านั้นเป็นของอไม่มีสาระไม่มีคุณค่าเพราะเคยได้เสพได้สัมผัสมาแล้ว ความสุขที่ย่าโยนทั้งหลายกำลังสัมกาลังเสกกำลังสัมผัสกนันนี้เป็นความสุขแบบควันไฟเวลาได้เสกก็ก็มีความสุขพอเลิกแล้วความสุขนั้นก็หายไปเช่นไปเที่ยวก็มีความสุขพอกลับมาอยู่บ้านความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไป สิ่งที่กลับมาแทนที่ก็คือความว้าเหวความเศร้าส้อยหมอยเหงาก็เลยต้องออกไปหาความสุขอยู่เรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็หนีจากความเศร้าโศกซเศร้าความเศร้าความเศร้าหมองความว้าเหวความความอิดน้าละอาใจความเบื่อหน่ายไปไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากความอยาก พออยากจะออกไปเที่ยวถ้าไม่ได้ออกไปเที่ยวก็จะรู้สึกว้าเวงเศร้าซ้อยหนอยเหงาขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถบังคับให้เราอยู่บ้านแล้วนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ถ้าใจสงบแล้วความรู้สึกเหงาเศร้าซ้อยว้าเวเองก็จะหายไปก็มีความสุขอันยิ่งใหญ่ปรากฏขึ้นมาในใจของเรานั่นเอง ถ้าเรามีความสุขแบบนีแ้แล้วเราก็ไม่ต้องออกไปให้เหนื่อยให้ลำบากให้วุ่นวายให้ต้องเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆเมื่อเราไม่ต้องใช้เงินทองซื้อความสุขเราก็ไม่ต้องเหนื่อยกับการหาเ ง, ง, งินหาทองเราลาออกจากงานได้เลยทุกวันนี้เราต้องเรายังต้องทำงานกันอยู่เพราะเรา ยังต้องการมีเงินเพื่อที่จะใช้เงินนี้มาซื้อความสุขต่างๆนั่นเองแต่ถ้าเราสามารถทาใจของเราให้สงบได้แล้วเราจะไม่ต้องใช้เงินทองอีกต่อไปความทุกข์ที่เกิดจากการหาเงินหาทองก็จะไม่มีสำหรับเราอีกต่อไปเพราะเราสามารถอยู่แบบนักบวชได้ ถ้าอยู่แบบนั่งบวชได้ก็จะมีผู้ที่เขามีจิศตศรทัทธาที่พร้อมที่จะสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายบวชได้ชายก็บวชเป็นพระหญิงก็บวชเป็นชีบวชชีก็มีผู้ที่เขาสนับสนุนถ้าไม่เช่นนั้นชีเขาจะบวชกันอยู่กันได้อย่างไรดังนั้นขอให้พวกเรามา ทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจของเราอย่างแท้จริงจะดีกว่าเพราะประโยชน์ทางจิตใจนี้เป็นประโยชน์ที่ถาวรเป็นประโยชน์ที่จะอยู่กับเราไปไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับประโยชน์ทางร่างกายที่จะต้องเสื่อมหมดไปเวลาที่ร่างกายนี้แก่เจ็บตายไปต่อให้หาเงินมาได้กี่ร้อยล้านกี่พันล้าน พอร่างกายนี้แก่เจ็บตายก็ไม่สามารถที่จะใช้เงินทองที่หามาได้ต่อไปแล้วเวลาจากโลกนี้ไปก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้ไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากความสงบอันนี้เป็นความสุขที่อยู่ในใจไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ไม่ได้อยู่กับสิ่งต่างๆไม่ได้อยู่กับรูปสิ่งกลิ่นรสโผฏฐะผ้าอยู่ในใจของเราดังนั้นเวลาร่างกายตายไปความสุขที่อยู่ในใจก็ยังอยู่กับเราต่อไปเช่นความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับจากการบรรลุพระนิพพานความสุขนั้นก็ยังอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าอยู่ ยังอยู่ในใจของพระอาหารหันต์ทั้งหลายอยู่ใจของพระอาหารหันต์ใจของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สูญหายไปไหนเพียงแต่ว่าไม่ได้มามีร่างกายมาใช้เป็นเครื่องมืออีกแล้วนั่นเองเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขว่ามีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากการใช้ร่างกายจึงไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ พวกเรานี้ยังใช้ร่างกายหาความสุขอยู่พอร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็ต้องกลับมาหาร่างกายใหม่เมื่อกลับมาได้ร่างกายใหม่ก็ต้องมาทุกกับการแก่กับการเจ็บกับการตายกับการพลาดพาดแกสิ่งต่างๆที่เราลากไปชีวิตของเราก็จะเป็นแบบสุขตอนต้นแล้วก็ทุกข์ตอนปลาย อยู่ไปทุกภพทุกชาติไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ต้องการที่จะต้องมาทุกขกับการเกิดการแก่การเจ็บการตายกับการพัดพาจากสิ่งที่เรารักจากบุคคลที่เรารักเราก็ต้องอย่า ก, กลับมาเกิดการที่จะกลับไม่กลับมาเกิดก็ต้องทำใจให้อิ่มให้พอให้ได้ ถ้าใจสงบแล้วความอิ่มความพอก็จะเกิดขึ้นนี่แหละคือสาเหตุที่ทำไมเราต้องถือศีลแปดถือศีลบวชกันเพราะถ้าเราไม่มีศีลปดศีลบวชนี้เราจะไม่สามารถทำใจให้สงบได้ใจของเราก็จะหาไปหาความสุขทางร่างกายไปหาความสุขจากการดูการฟัง การลิ่มรสต่างๆก็จะไม่มีเวลาที่จะมานั่งทำใจให้สงมบมได้ที่คนที่ไม่ได้ถือศีลแปดนี้ก็จะไม่มีวันที่จะได้มีโอกาสได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบเพราะมัวแต่ไปหาความสุขจากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดื่มไปรับประทาน ไปร่วมหลับนอนกับคนนั้นกับคนนี้อันนี้แหละคือความแตกต่างระหว่างผู้ที่ถือศีลแปกับผู้ที่ไม่ถือศีลแปผู้ที่ถือศีลแปะก็ไม่ต้องไปออกไปข้างนอกบ้านไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปดูไปฟังอะไรไม่ต้องไปเดือไปรับประทานอะไรอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดก็ทำใจให้สง บ, บ ควบคุมความคิดให้ได้เพราะความคิดนี้เป็นตัวที่ทําให้ใจไม่สงบถ้าหยุดความคิดได้ใจก็จะสงบวิธีที่จะหยุดความคิดก็คือให้ใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าคิดเรื่องนั้นกิดเร่องนี้ให้คิดแต่พุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ว่าจะทําอะไรตั้งแต่เริ่มต้นแต่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าเลยตื่นขึ้นมา พอได้สติรู้สึกตัวก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วก็ลุกขึ้นไปทำกิจกรรมต่างๆขณะที่ทำกิจกรรมก็พุโทโธไปเรื่อยๆแล้วใจจะว่างใจจะเย็นใจจะสบายเวลาว่างไม่มีกิจกรรมที่จะต้องทำก็ให้นั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธต่อไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะลุลเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะพบกับความสุขความอิ่มความพอ ก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากดูอะไรไม่อยากฟังอะไรอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะทำใจให้สง บ, บก็จะไม่ต้องไปทำมาหากินไม่ต้องไปหาเงิ น, ห า, งนหาทองไปบวชแล้วเพื่อไปบวชเพื่อที่จะทำใจให้สง บ, บอย่างถาวรต่อไปเมื่อทำได้แล้วก็มาเป็นที่พึ่งของผู้อื่นมาสอนผู้อื่น ให้เขาได้รู้จักวิธีสร้างความสุขที่ถาวรสร้างความสุขอันยิ่งใหญ่ต่อไปอนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธเราเวม้อต้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราศึกษาพราะธรรมคำสอนเช่นเอันนี้เรามาฟังเทศน์ฟังธรรมนี่เรียกว่าเป็นการศึกษาพราะธรรมคำสอนเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไร เมื่อเรารู้แล้วเราก็นำเอาไปกระทาต่อไปปฏิบัติเช่นไปทำบุญไปทำความดีที่เราอยากไม่มีให้เกิดขึ้นไปทไปรักษาบุญรักษาความดีที่เราไม่อยู่ให้คงอยู่ต่อไปไปละเว้นจากการกระทำบาปการกระทำที่ไม่ดีแล้วก็รักษาการกระทำที่ไม่ดีที่เราได้ละไปแล้วอย่าให้กลับมาอีก พอเราทำแล้วเราก็จะได้รับผลคือความสุขที่เกิดจากความสงบภายในใจของเราพอเรามีความสุขมีความอิ่มมีความพอแล้วไม่หิวไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์แล้วเราก็เอาสิ่งที่เรารู้นี่มาเาผยแพร่สั่งสอนให้แก่ผู้อือนน่น อ, อีกตอ น, นึ่งผู้เมื่อเขาได้ยินได้ฟังเขานำเอาไปปฏิบัติตาม เขาก็จะได้พบกับความสุขอย่างที่เราได้พบกันนี่คือวิธีรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ไปกับมวลมนุษย์เป็นกาลยาวนานอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติอยู่การที่บรรลุผลและอยู่ที่การเผยแผ่ผลที่เราได้รับแล้วให้แก่ผู้อื่นต่อไปศาสนาอยู่ตรงนี้ ไม่ได้อยู่ที่ตัวอาคารต่างๆเช่นอยู่ที่โบสถ์อยู่ที่เจดีย์อยู่ที่ศาลาอยู่ที่กุฏิหรืออยู่ที่พระพุทธรูปสิ่งเหล่า น, นี้ไม่ใช่องค์ของศาสนาเป็นเพียงสัญลักษณ์ของศาสนาเท่านั้นองค์ที่เป็นศาสนาก็คือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอน เพื่อให้บรรลุถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ถาวรการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่ถาวรอันนี้แหละคือศาสนาที่แท้จริงสมัยที่พระพุทธเจ้าตัสรู้ใหม่ๆไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีไม่มีกุติไม่มีไม่มีพระพุทธรูปไม่มีอะไรเลยมีแต่การสั่งสอนมีแต่การปฏิบัติ มีแต่การบรรลุธรรมนั่นแหละคือศาสนาที่แท้จริงอยู่ตรงนั้นขอให้พวกเราอย่าหลงประเด็นอย่ามากังวลกับการสร้างพระพุทธรูปสร้างอะไรต่างๆให้มากจนเกินไปถ้าจำเป็นต้องสร้างก็สร้างได้แต่ถ้ามีพอเพียงแล้วก็ควรที่จะมาสร้างความสุขที่แท้จริงความสุขภายในใจของเราดีกว่า ด้วยการปฏิบัติตามที่ผู้เจ้าทรงสอนสประการนี้คือให้ทําให้สร้างบุญและสร้างความดีที่เรายังไม่มีให้เกิดขึ้นให้รักษาบุญรักษาความดีที่เรามีอยู่แล้วให้คงอยู่ต่อไปให้ละความชั่วให้ละการกระทํำที่ไม่ดีให้หมดไปและให้ป้องกันไม่ให้ความชั่วและความไม่ดีทั้งหลายที่เราละแล้วหวนกลับคืนมาอีก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 ด้วยอายุวันนสุกัดภาละโดยทั่วหน้าการเธอ